สิกขาบทที่9เรื่องพระชัพพคี6ก6สีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถาบินที่กาเศรษฐีเขตกรุงสัมีตครั้งนั้นผู้ พ, พิสูจนัพพรคีนั่งบนอาสนะต่ำแสดงธรรมก่คนผู้นั่งบนอาสนะสูงบรรดาพิกษุผู้มากน้อยจึงพากันตำหนิประนามโพนทนาว่าชไนผู้พิสูจน์ฉัพคี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 ทรงแสดงธรรมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าเรื่องภรายาของบุรุษจันทาน647ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วภรายาของบุรุษจันทานคนหนึ่งในกรุงพระนสีมีคันครั้นแล้วนางจึงได้กล่าวกับสามีว่านายดิฉันกําลังตั้งครันอยากกินมะม่วงสามีตอบว่ามะม่วงไม่มีเพราะไม่ใช่ฤดูมะม่วง นางกล่าวว่าถ้าไม่ได้ดิฉันต้องตายครั้งนั้นต้นมะม่วงของหลวงให้ผลทุกระดูอยู่ต้นหนึ่งภิกษุทั้งหลายครั้นแลบุตรจันทานจึงไปถึงที่ต้นมะม่วงครั้นถึงแล้วได้ขึ้นไปแฝงไกาอยู่บนต้นพอดีพระราชาเสด็จไปถึงที่ต้นมะม่วงพร้อมกับพราหมณ์โปรหิตครั้นถึงแล้วจึงประทับนั่งบนอัศนะแล้วทรงเรียนมนพริกษุทั้งหลาย ทีนั้นบุตรจันทานได้มีความคิดดังนี้ว่าพระราชาองค์นี้ประทับนั่งบนอาสนะสูงเรียนมนชื่อว่าไม่ใช่พระราชาผู้ทรงธรรมพราหมณ์คนนี้ที่นั่งบนอาสนะต่ำสอนมน์แก่ผู้นั่งบนอาสนะสูงก็ชื่อว่าไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมและเราผู้ที่ลักมะม่วงของหลวงเพราะภรยาเป็นเหตุก็ชื่อว่าไม่ใช่ผู้ประพฤติธรรมแท้จริงการกระทำดังนี้ล้วนต่ำทราม จึงไต่ลงมาณนะที่นั้นกล่าวว่าคนทั้งสองคือพราหมณ์ผู้สอนมน์และพระราชาผู้ทรงเรียนมนโดยไม่เคารพธรรมย่อมไม่รู้อัดและไม่เห็นธรรมพราหมณ์กล่าวว่าเพราะเรากินข้าวสาลีผสมแกงเนื้อที่สะอาดฉะนั้นจึงไม่ประพฤติทธรรมที่พระริยะเจ้าสรรเสริญปรุดจันทร์กล่าวว่าเราตําหนิการได้ทรัพย์และการได้เกียรติยศเพราะพฤติกรรมเช่นนั้นนั่นเป็นวิถีชีวิต อันเป็นเหตุให้ตกตำ่ำและเป็นการครองชีพโดยมิชอบการครองชีพอย่างนั้นไม่มีประโยชน์ท่านมหาพรามถ้ารีบไปเสียเถิดแม้คนเร า, าอื่นก็ยังรู้จักหงหากินได้ความอาธรรมที่ท่านประพฤติอย่าได้ทำลายท่านเหมือนหม้อน้ำแตกเรื่องภรยาของบุรุษจันทานจบทรงตำหนิแล้วบัญญัติศิคษาบทภิกษุทั้งหลาย แม้ในการนั้นน้ำพราหมณนั่งบนอาสนะต่ำสอนมนุษพระราชาผู้ประทับนั่งบนอาสนะสูงยังไม่เป็นที่พอใจของเราชนัยบัตรนี้การที่ภิกษุนั่งบนอาสนะต่ำแสดงธรรมแก่คนผู้นั่งบนอาสนะสูงจึงจะเป็นที่พอใจของเราเล่าแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติ 9. เพึงทำความสำเนียกว่า เรานั่งบนอาสนะต่ำจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งบนอาสนะสูงเรื่องพระชาพคีจบสิกขาบทวิพังภิกษุนั่งบนอาสนะตา่ำไม่พึงแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งบนอสนาสนะสูงภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อนั่งบนอาสนะตา่ำแสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้นั่งบนอาสนะสูงต้องอบัดทุกกฎอนาปฏิวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัดคือ